Music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 ก็พาสุรเสนไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่เสมอบางครั้งก็ไปพร้อมกับมหาชนในเวลาเย็นเพื่อฟังพระธรรมเทศนาบางครั้งก็ไปเฝ้าก่อนเวลานั้นเพื่อทูลถามเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและบางคราวสุรเสนาก็ถือโอกาสไปเฝ้าตามลำพังมหานครสาวัตถีเป็นแหล่งกลางแห่งพระพุทธศาสนาประชาชนเกือบทั้งสิ้น นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาหแห่งตนอารามเป็นที่อาศัยแห่งพิกษุทธทั้งหลายมีรายรอบอยู่ทั่วทุกด้านของประตูใหญ่และประตูน้อยแห่งพระนครและเพราะเหตุที่พระบรมศาสดาประธานพระพุทธโอวาสทุกเวลาเย็นในเมื่อเสด็จประทับเป็นประจำจึงทําให้มหาชนทั้งนั้นได้มีโอกาสศึกษาหลักศิลธรรมและหลักความจริงแห่งชีวิตและรู้จักรำรงชีพ โดยชอบธรรมและรู้จักหาความผาสุขให้แก่ตนโดยวิธีอันไม่งงงายสามารถระงับดับทุกข์ของตนได้ด้วยตนเองตามควรแก่เหตุบุคคลชั้นผู้ใหญ่จำเดิมแต่พระราชาลงมาจนถึงอมารราชบริพานก็ล้วนแสดงคารวะอย่างสูงในพระาตเจ้าจึงเป็นเหตุให้การสั่งสอนพระศาสนาได้ผลดียิ่งสาวัถี เป็นที่รวมจิตใจอย่างสำคัญอันภิกษุและพุทธมามากะจากต่างเมืองจะปึงเดินทางมาเยี่ยมเยียนทั้งนี้ด้วยประสงค์จะถาวายบังคมยุคนบาทแห่งพระบรมศาสดาบัดนี้ย่างเข้ากลางเดือนเชตถะแล้วฝนเริ่มมีบ้างประประายครั้งแรกทนิยะตั้งใจจะพักตลอดฤดูฝนนาสาวัตถีนี้แต่เนื่องจากการค้าในเที่ยวนี้ได้ผลดีเกินคาด อาเดินทางกลับได้ไวกว่ากําหนดธนิยะจึงกะว่าจะกลับให้ถึงภารณสีทันก่อนสิ้นเดือนอาสารหะเป็นการประหยัดเวลาได้ถึงสเดือนหรือหเดือนเพราะถ้าต้องพักแรมตลอดฤดูฝนแล้วท้ายฤดูฝนยังเป็นฤดูน้ําหลากแม้ในปีนี้กะว่าน้ําจะไม่มากแต่การข้ามแม่น้ําก็ไม่สู้สะดวกนักเพราะจะต้องเดินทางข้ามลําน้ํอาอกิรวดี สระอยูคงคาและอื่นอื่นอีกมากมายทนิยะกะว่าสินค้าสำคัญของแควนกาสีซึ่งบรรทุกเกวียนมานั้นจะเหลือพอจำหน่ายณกรุงอโยธยาแห่งเดียวต่อจากนั้นแม้จะไปแวะที่ฝั่งแม่น้ำยมุนาด้านตรงข้ามเมืองโกสัมพีราชธานีห่งแววนวังสะก็จะมีเฉพาะสินค้าทางเหนือลงไปขายเพราะสินค้าจากพารณสีนั้น ไม่จำเป็นต้องบรรทุกไปขายที่เมือง น, นั้นด้วยโกสัมพีกับพรณสีใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพียงระยะทาง23โยชน์มโยมีพ่อค้าทางใกล้นำสินค้าไปมาค้าขายติดต่อกันอยู่เสมอทั้งทางน้ำและทางบกเมื่อตั้งใจว่า จะไม่พักอยู่นานต่อไปทนิยะก็กำหนดวันเดินทางแต่ก่อนหน้าจะถึงวันนั้นก็ยังไปมาที่เชตวนารามอยู่เสมอเพราะทนิยะต้องการที่จะปลูกฝังสุรเสนาให้เจริญด้วยความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุดสองพ่อลูกก็กราบลาถวายบังคมลาเพื่อเดินทางกลับไปภาคใต้ด้วยความอลาลัยรักในพระธถาคตเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดา ได้ประทานพระพุทธโอวาทสอนใจเป็นพิเศษชี้เห็นความที่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการพละดพลากจากกันจึงเป็นของธรรมดาข้อสำคัญให้ถือเอาสารา จ, จากชีวิตอย่าปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมโดยไม่สนใจควบคุมให้เป็นไปในทางที่ชอบและได้มีพระกระแส ร, รับสั่งเพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายเพราะบัดนี้ธรรมเสนาของพระองค์ ก็แผ่ไปทั่วพระนครและหัวเมืองที่สำคัญสาคัญมากแล้วอายุและวัยของพระองค์ก็ล่วงเข้ามาไม่ใช่น้อยเมื่อได้วางรากฐานแห่งพระธรรมเสนาลงเป็นปึกแผ่นแล้วถ้าทรงล่วงลับก็เป็นหน้าที่ของผู้อยู่ข้างหลังที่เห็นชอบร่วมกันในการเผยแผ่ความสงบนี้จะพึงช่วยกันรับผ่าระสืบแทนไปโดยลาดับทุกคนควรช่วยตนเองให้มีที่พึ่งและควรช่วยผู้อื่น ให้มีที่พึ่งด้วยผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ฉะนน้นเลยจะช่วยผู้อื่นได้แม้บุคคลเช่นธนิยะและสุรเสนะก็มีโอกาสทำการช่วยเหลือธรรมเสนาได้อย่างกว้างขวางเพราะข้อสำคัญนั้นก็คือใครก็ตามถ้าเป็นคนดีหรือคนสงบแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติตามพระพุทธวาาแต่ถ้าตรงกันข้ามคือเป็นคนเลวไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นเครือัน ก็หาชื่อว่าทำประโยชน์แก่ตนและแก่ธรรมเสนาหรือกองทัพธรรมของพระองค์ไม่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงสูงสุดผู้ใดมีความสามารถจะปฏิบัติได้เพียงไรก็อาจทำได้และได้รับผลตามสมควรแก่เหตุคือการประพฤติปฏิบัตินั้นๆผู้ต้องการทำที่สุดแห่งทุกคือบรรลุ ค, ความหลุดพ้นจากทุกอย่างสมบูรณ์ก็อาจออกบวช น, นโรงชีวิต ในเพศพรหมจันทร์ได้เมื่อทรงแกจกจ่ายรถพระชรรมไว้แจกคนทุกชั้นทุกประเภทนี้จึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับคำสั่งสอนของพระองค์จะพึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนำสิ่งที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน คยาขรานออกมาจากพระคันธกุฎีสุรเสนตามออกมามีน้ำตาน้องหน้าเด็กหนุม่มยิ่งได้ใกล้ชิดพระบรมศาสดาก็ผูกใจจงรักในพระองค์ยิ่งขึ้นพระพุทธลักษณะและพระจริยาวัรตลอดจนพระพุทธโอวาสมีส่วนที่ดีงามพร้อมสรรพทำให้ผู้ใกล้ชิดชื่นชมมิรู้เบื่อทั้งสองบิดาและบุตรเดินประทักษิณคือเวียนขวารอบพระคันธกุฎี ด้วยความเคารพสุดซึ้งสามรอบแล้วก็จากไปขบวนเกวียนตัดผ่านกรุงสาวัถีไปออกประตูด้านเหนือเพื่อตรงไปยังตำบลที่เหมาะใจการข้ามลำน้ำอากิรวดีแล้วก็วกตัดลงผ่านคว้นโกศลภาคใต้ข้ามลำน้ำสระูรรอนแรมมา นแคว้นโกสลภาคใต้นี้มีนครซึ่งเคยมีชื่อเสียงสำคัญนามว่าอโยชยาหรืออโยธยาแต่ในขณะนั้นได้กลายเป็ น, นเมืองที่ควรใจ ก, การค้าขายแห่งหนึ่งหามีความรุ่งโรจน์ในทางกำลังรบแต่ประการใดไม่ถึงกระนั้นก็มีกษัตริย์ผู้ครองพระนครสืบต่อกันมากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอโยธยาหามีพระราชโอรส สืบราชสันตตีวงไหมขณะที่ขบวนกเวียนเดินทางเลียบน้ำลำน้ำสระอยู่ใกล้นครอโยธยาเข้าไปนั้นก็พอดีกษัตริย์แห่งพระนคร น, นั้นสวรรคคตคณะมหาอมาตก็ประชุมปรึกษากันเพื่อมีกษัตริย์ขึ้นสืบแทนต่อไปธนิยะกล่าวกับสุรเสนว่าดูก่อนสุรเสนะความจริงจะเพียงไรก็ทราบไม่ได้ แต่ในนิยายว่าด้วยรามนครอยยธยาที่จะถึงนี้เคยเป็นราชธานอันรุ่งเรืองในอดีตการมีกษัตริย์คุวงครอบครองสืบต่อกันมามีความกว้างโยอดเศษความยาวสีย่ยอดเศษรามจันทร์ได้อุบัติในนครนี้บางครั้งก็มีคนเรียกว่าเมืองสาเจดแต่ก็หาใเช่อันเดียวกันกับเมืองสาเจดที่เราผ่านมาแล้วไม่ชื่อเมืองที่ซ้ําๆกันนี้ ย่ำเป็นธรรมดาแม้ชื่อแห่งอนครอโยธยาเองก็ซ้ำกันถึงสามแห่งแห่งหนึ่งคือที่ตั้งอยู่หน้าฝั่งน้ำสระอยู่ซึ่งเราจะไปพักเกวียนข้างหน้านี้แห่งที่สองสุดอยู่ทางทิศตะวันตกและแห่งที่สามอยู่หน้าฝั่งแม่น้ำคงคาดูก่อนสุรเสนะเมื่อเราแวะขายสินค้าพื้นเมืองกาศีซึ่งเหลือติดมาไม่มากนักนะพระรคลครแห่งนี้หมดแล้ว ก็จะข้ามลำน้ำสระโยตัดทุ่งราบไปข้ามลำน้ำเล็กๆอีกสายหนึ่งแล้วตัดไปข้ามลำน้ำคงคาอีกต่อหนึ่งคราวนี้ขบวนเกวียนเราเล่นเรียนไปตามลำน้ำยมุนาจนถึงฝั่งตรงข้ามของกรุงโกสัมพีถ้าจะข้ามลำน้ำยมุนาไปอีกก็เข้าตัวเมืองโกสัมพีแต่ถ้าไม่ข้ามลำน้ายมุนาเราก็จะไปแวะที่เมืองท่าประยาค อันเป็นที่บรรจบระหว่างแม่น้ำคงคากับยมุนาและเมื่อเลือกข้ามลำน้ำอีกแห่งหนึ่งก็จะไปถึงพรณนสีบ้านของเราดูก่อนสุรเสนะเราได้รอนแรมมาในการเดินทางหลายเดือนแล้วและพ่อก็ได้สั่งสอนให้เจ้ารู้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆมากมายทั้งทางการค้าและทางศาสนาสอนวิชารคต่างๆ ซึ่งเจ้าได้ศึกษาจากพ่อมาแต่น้อยและฝึกหัดซ้อมมืออยู่บ้างในระหว่างที่พักกวยนั้นเจ้าก็รู้แล้วว่าเป็นวิชาป้องกันตัวซึ่งผู้นับถือพระพุทธศาสนาใช้สำหรับลูกรานใครไม่เป็นอันว่าพ่อได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้สมกับที่ตั้งใจไปนานแล้วบัดนี้เจ้าได้มีบุญยร า, าบอันประเสริฐที่ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นดวงตาของโลกแล้วเพราะดํารัสเมื่อเรากราบถวายบังคมลาทำให้พ่อรู้สึกว่าบัตดนี้การเวลาได้ใกล้เข้ามาแล้วที่พระองค์จะต้องจากโลกนี้ไปตามระยะชั้นวัยแห่งพระชนม์ชีพดูก่อนสุรเสนะพ่อไม่ถือว่าการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจะเสด็จพระนิพพานนั้นจะหมายถึงการสิ้นสุดแห่งศีลธรรมและคุณความดีทั้งหลาย เพราะพระองค์ไม่ได้สั่งสอนให้เรายึดหรือเกาะที่พระองค์หากสอนให้รู้จักช่วยตัวเองในการปลูกฝังความดีสาวกทั้งหลายของพระองค์ทั้งบรรพชิตและครือขันผู้ใดสดับหลักธรรมที่พระองค์ทร ง, สงแสดงแล้วนํามาปฏิบัติได้ผลประจักษ์แจ่ตนนั้นก็อาจอยู่ที่จะช่วยกันเผยแผ่พระาศาสน า, สาศนาสนธรรมให้แพร่หลายไปอันเป็นการมุ่งประโยชน์แจกเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง คุณงามความดีย่อมเป็นของกลางไม่เป็นของผู้ใดโดยเฉพาะและม่ขึ้นอยู่แจกใครเป็นแต่ว่าสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาเป็นผู้ชี้ทางให้ภายหลังที่พระองค์ได้ค้นคว้าหาความจริงมาตลอดเวลานานจนได้ตัดสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูก่อนสุรสนณเจ้าจงจำไว้ว่าพ่อที่รักของเจ้าได้สั่งไว้อย่างสำคัญก็คือขอให้เจ้าตั้งอยู่ในหลักธรรมด้วยตนเองและช่วยกันเผยแผ่คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเท่าที่จะทำได้จนเต็มความสามารถเป็นการไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเราช่วยให้โลกทั่วไปมีความสงบสุขร่มเย็นในเงาแห่งศีลธรรมและศาธรรมแล้ว ย่อมหมายความว่าเราได้บำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยสมบูรณ์ดูก่อนสุราเสนการจะดำรงชีวิตให้เป็นผาสุขได้ในโลกนี้ถ้าไม่มีหลักของใจที่ดีงามก็เป็นการยากที่จะหวังให้ผาสุขอยู่ได้ยั่งยืนเพราะเมื่อปล่อยตัวไปตามความย่วดยวนของบาปทุจริตและความชั่วทั้งหลายก็จะชื่อว่าขุดรากโค่นล้มตัวเองอยู่ตลอดเวลา คนในโลกนี้ที่ขุดรากเพื่อโค่นทําลายตัวเองนั้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยและมีเป็นจำนวนมากที่ขณะขุดรากของตัวเองนั้นกลับนึกว่าสร้างความเจริญให้แก่ตนซึ่งเมื่อปรากฏผลผลปรากฏก็สายเสียแล้วยากที่จะแก้ไขได้ดูก่อนสุรเสนะผู้มีหลักธรรมประจําจิตย่อมเป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นที่ปรึกษาเป็นครู เป็นผู้สร้างความเจริญให้แก่ตนเองได้ในยามมีความทุกข์ร้อนใจเกิดขึ้นผู้นั้นจะรู้จักปลอบใจตัวเองไม่ให้วุ่นวายจนเสียสติจะค่อยยับยั้งชั่งใจไม่รู้วามหาวิธีแก้ไขบำบัดความทุกนั้นด้วยการค้นหาต้นเหตุแล้วทำลายต้นเหตุนั้นเสียเป็นผู้อาจยืนหยัดอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องสำนึกตำหนิตัวเองหรือชี้หน้าตัวเองได้ว่าเป็นผู้เลวทรามหรือทรยศคดกง เมื่อเดินทางผ่านหาดทรายข้างลำน้ำสระอยู่ไปได้ไม่นานนักก็เห็นประตูเมืองอยุธยาและเนื่องจากเป็นเวลาบ่ายขบวนเกวียนจึงได้ตรงเข้าสู่พระนครแต่เพลานั้นในวันรุ่งขึ้นเวลาสายก็ได้มีเสียงอื้ออึงเกิดขึ้นในพระนครอยุธยาผู้คนตื่นแตกออกจากบ้านมาดูกันเป็นการใหญ่มีรถเทียมด้วยมา้าขาวอันงดงามแต่ไม่มีคนขับ สุดแต่ม้าจะพาไปทางไรเบื้องหลังของรถนั้นมีขบวนรถและขบวนม้าของมหาอมาตติดตามมาเป็นทิวแถวสุรเสนออกจากเวียนของตนไปยืนดูอยู่ข้างหน้าข้างทางด้วยความสงสัยในขบวนแห่อันแปลกนั้นและจะโดยเหตุผลกลไกก็ตามทีเมื่อม้าขาวคู่นำรถแล่นไปตามถนนผ่านมาถึงก็บ่ายหน้าเข้ามาหาสุรเสนแล้วก็หยุดอยู่ ไม่ยอมเดินต่อไปอีกเสียงโห่ร้องอกึกก้องของหมูชนและมหาอมาตย์ก็ดังขึ้นผู้อยู่บนรถก็ลงจากรถผู้อยู่บนม้าก็ลงจากหลังมา้าแห่ห้อมล้อมมาที่สุรเสนะพร้อมทั้งทำความเคารพชี้แจงว่าบัดนี้ราชรถและม้าเสียงไทยได้มาหยุดอยู่เฉพาะหน้าสุรเสนะจึงหมายความว่าสุรเสนาจะต้องไดรับเชิญจึงหมายความว่า สุรเสนาจะต้องได้รับอัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครอโยธยาทั้งนี้เพราะราชสมบัติไม่มีผู้เสิบสันตติวงศ์จึงต้องทำพิธีให้ราชรถออกเสียงทายตามโบราณราชประเพณีสุรเสนาเป็นผู้มีความเกียมตัวและมีลักษณะเป็นผู้ไม่เฉยโอกาสตามแบบทนิยะผู้เป็นบิดาจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญ ถ้าจะถือว่าราชรถเทียมด้วยมา้าเพื่อเสี่ยงทายมาหาพระราชาผู้ครองนครมาหยุดเบื้องหน้าข้าพเจ้าว่าเป็นการสมควรที่ข้าพเจ้าจะได้เป็นพระราชาแล้วข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดนึกดูเองบ้างว่าอาจเป็นด้วยเหตุบังเอิญบางประการซึ่งไม่จําเป็นต้องหมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สมควรแก่ราชสมบัติเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเตือนมา้า ให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดเผื่อว่าจะได้คนที่ดียิ่งกว่าข้าพเจ้าหมาอัมตา์แปลกใจในถ้อยคำของสุรเสนะผู้ปฏิเสธราชสมบัติซึ่งถ้าเป็นคนอื่นๆก็คงจะแย่งกันแม้ด้วยเอาชีวิตเข้าแลกจึงยืนยันขอให้สุรเสนะขึ้นสู่ราชรถนั้นแต่สุรเสนะ ยังคงกล่าวอยู่ว่าอาจเป็นเหตุบังเอิญเมื่อไม่อาจากตกลงกันได้สุรเสนะจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญเพื่อตัดปัญหาเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะยืนอยู่ณที่นี้อีกขอให้ท่านนําราชรถและม้ากลับคืนไปอย่างที่ตั้งต้นก่อนถ้าม้าพามาหยุดตรงหน้าข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าก็จะรับราชสมบัตินั้นคณะอามาตย์ปรึกษากันยินยอมตามนั้น แต่เพื่อไม่สุรเสนาหลบไปที่อื่นจึงได้ให้มาหาอมาตบางคนยืนกากับอยู่ไม่ให้ไปไกลนักแม้ครั้งที่สองมา้าก็พาราชรถมาหยุดที่สุรเสนาอีกซึ่งยังความอัศจรรย์ใจให้เกิดจากคนทั้งหลายเป็นอันมากในครั้งนี้ทนยะได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเมื่อสุรเสนาหันมาปรึก ษ, ษาทนยะก็กล่าวยินยอมให้ขึ้นสู่ราชรถไปได้และกล่าวว่าตนจะตามไปในภายหลัง เสียงโห่ร้องกึกกล้องทีด่ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่พระลานหลวงเมื่อได้มีการเปล่าประกาศสถาปนาพระเจ้าสุรเสนะขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครอโยธยาและได้มีการลำดับสกุลให้ทราบว่าพระเจ้าสุรเสนะเป็นโอรสของเจ้าชายธนยะแห่งแขวนสุรเสนะพร้อมทั้งได้แสดงหลักฐานแห่งขติยะราชูปภคบางอย่าง ซึ่งทนายยะนายกองเกวีนผู้นี้ได้ยอมเปิดเผยตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองกรุงมัธุราราชธานีแห่งแคว้นสุรเสนได้นำมาแสดงให้ปรากฏแจกคณะมหาอามาตย์เป็นอันว่าผู้ที่ได้ครอบครองอโยธยาครั้งนี้เป็นผู้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเสียงโจดจันแสดงความพึงพอใจในกษัตริย์ผู้งดงามของประชาชนจากปากหนึ่งสู่อีกปากหนึ่ง เพียงช่วเวลาไม่นานนักก็แพร่ไปสู่ที่ต่างๆอย่างรวดเร็วชาวขับเกวียนทั้งหลายพากันดีใจอย่างล้นเหลือบางคนถึงกับไม่สามารถกลั้นน้ําตาไว้ได้บางคนก็กระโดดโล ด, ดเต้นด้วยความดีอกดีใจเพราะนอกจากจะเพลื่มปีติในข่าวรับราชสมบัติของสุรเสนะแล้วยังทราบซึ้งตรึงใจว่าตนได้อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าชายทนิยะ ผู้ปกปิดชาติสกุลของตนอย่างมิชิตแสดงออกแต่ความรู้ความสามารถและจริยาอันดีงามไม่ได้ทำตัวให้เป็นที่ผิดสังเกตแต่ประการใดกำหนดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษใน15้าวันที่จะมาถึงได้เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไป ทนิยะจึงถือโอกาสก่อนหน้ากำหนดนั้นสั่งสอนราชประเพณีเพิ่มเติมให้พระเจ้าสุรเสนทรงทราบโดยละเอียดกับได้ตัดเตือนถึงรัฐภาษาสโนบายโดยควรจะเหตุอีกโสดหนึ่งพระเจ้าสุรเสนะไม่ได้ทรงรู้สึกเอิดอัดในการที่จะต้องปฏิบัติพระองค์และใช้ถ้อยคำตามแบบขัตติยะราชประเพณีแต่ประการใดเพราะทรงได้รับการศึกษามาดี วันพิธีได้มาถึงและเหตุการณ์อันน่าชื่นชมเป็นที่ปรีดาปราโมทของมหาชนก็เป็นไปโดยเรียบร้อยและโดยการขอร้องของคณะมหาอมาตให้ทรงแสดงฝีพระหัตในวิชารพบให้ปรากฏแจ่มมหาชนพระเจ้าสุรเสนะก็ทรงกำหนดวันประธานการสำแดงพระองค์ในฐานะเป็นนักรบผู้สามารถจะครอบครองอโยธยาได้ด้วยดีให้ปรากฏ มหาชนพากันประชุมเนืองแน่นที่พระลานหลวงที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องยืนขึ้นบนเตียงบนตังเพื่อให้ได้เห็นได้โดยง่ายพระเจ้าสุรเสนะได้ทรงแสดงฝีพระหัตยิงธนูและอาวุธอื่นๆอย่างคล่องแคล่วว่องไวเป็นที่สันเสริญชื่นชมของประชาชนคล้ายกับเป็นความฝันว่าตนมาได้เป็นพระราชาผู้สามารถพร้อมทุกอย่างทั้งพระรูปพระโฉมก็งดงามสมลักษณะกษัตริย์ทุก ป, ประการ แต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับความทราบซึ้งว่าตนได้มาพบพระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมก็คือภายหลังที่ทรงพักผ่อนเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีพระราชรัชแจกมหาชนดังนี้ขอท่านทั้งหลายจงฟั ง, ฟงข้าพเจ้าโดยการขอร้องของคณะมหาอัมมาศให้ข้าพเจ้าสแสดงฝีมือวิชารบแจกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าอาจเป็นทางให้ได้พบปะ ทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปจึงรับปาดแสดงตามที่สามารถจะทำได้ข้อที่มุ่งหมายอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบก็คือวิชารบนี้พ ร, ระพเจ้าไดเรียนมาจากพระบิดามิใช่เพื่อรุกรานใครแต่เพียงเพื่อป้องกันตัวในเมื่อไม่มีทางหลีเพราะในโลกอาจมีคนผ่านซึ่งไม่ยอมให้ใช้ความดีเข้าติดต่อแท้จิงนั้นทางที่ดี เราควรปฏิบัติต่อกันในทางที่ดีงามมีเมตตรีจิตเป็นการตัดไม่ให้เกิดศัตรูดีกว่ารอแก้ไขเมื่อเกิดศัตรูแล้วข้อนี้พระบิดาของข้าพเจ้าย้ำอยู่เสมอเมื่อสั่งสอนวิชาเพลงอาวุธท่านผู้เจริญทั้งหลายความรู้ความสามารถอนไดที่ข้าพเจ้าหากจะมีจะใช้ได้ ให้เป็นประโยชน์แก่อยทธยานคร น, นี้ข้าพระเจ้าขอประกาศด้วยกตัญญูกตาเวทิตาว่าความรู้ความสามารถอันนั้นเป็นผลเนื่องมาแต่การอบรมสั่งสอนของพระบิดาผู้ทรงพระคุณล้นเกล้าด้วยเหตุนี้ถ้าประชาชนทั้งหลายหวังจะทำความพึงพอใจให้เกิดจากข้าพระเจ้าแล้วขอท่านทั้งหลายจงเคารพนับถือปฏิบัติชอบในมารดาบิดาของตนเมื่อมีโอกาสจะสนองพระคุณ หรือทำความสุขให้เกิดจากท่านอย่างไรก็ไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันประเสริฐนั้นล่วงไปบ้านก็ตามเมืองก็ตามถ้ามากได้คนกระตันอยู่รู้คุณและตอบแทนคุณของท่านผู้มีพระคุณแล้วย่อมเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยจิตใจของคนก็ไม่ตกต่าความพินาศย่อยยับอันเกิดเพราะโทษที่ไร้ความรู้คุณก็ไม่เกิดขึ้นการที่บุท ธ, ธิดาตั้งตัวเป็นผู้รู้คุณ และสนองขุณมารดาบิดานั้นย่อมเป็นเหตุให้มารดาบิดาพยายามทําตนให้เป็นผู้น่าเคารพนับถือควรเจ ก, กาญเป็นที่บูชาของบุตรธิดาผู้ใดไม่ปฏิบัติชอบในท่านผู้บังเกิดกล้าวของตนก็ยากอยู่ที่จะปฏิบัติชอบในผู้อื่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอประรากาศให้นครอโยธยานี้เป็นนครตัวอย่างแห่งความสํานึก ในพระคุณของท่านผู้มีคุณทั้งปวงท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าถือว่าเป็นมงคลแจปากอย่างล้นเหลือที่จะออกพระนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ในขณะนี้ประทับอยู่ณเชตวนารามว่าเป็นพระบรมศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินดียิ่งนักที่ทราบว่าท่านทั้งหลายเกือบทั้งนั้นก็พากันเคารพนับถือพระจัาคตเจ้า เป็นพระบรมศาสตราหแห่งตนเช่นกันเพียงแต่มีพระศาสดาร่วมกันนั้นไม่ใช่ของแปลกหรือน่าอัศจรรย์แต่อย่างไรข้อสำคัญอยู่ที่พระองค์เป็นผู้ชี้ทางแห่งความสุขให้แก่เราทั้งหลายให้เป็นผู้ตั้งตัวได้ทั้งในทางทรัพย์สินและคุณธรรมตลอดจนให้เป็นผู้ครองชีวิตอย่างใช้ปัญญาไม่ทาการใดๆด้วยความงมงายแล้วเราได้ทาตามหรือไม่ ท่านผู้เจริญทั้งหลายอายยธยามหานครแห่งเรานี้ควรจะได้เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายประการเป็นต้นว่าเราจงช่วยกันสั่งสอนกุลระบุตรกุลธิดาให้ขยันหมั่นเพียรและอดทนอย่าเป็นคนเกียดคร้านหวังแต่จะได้ดีโดยไม่ทำความดีถ้าใครจะเป็นคนเกียดคร้านในนครอยุธยานี้ก็ขอให้เราถือกันว่า เป็นที่น่าอับอายเพราะคนเช่นนั้นย่อมตั้งตัวไม่ได้ในทางโลกขณนเล่าจะตั้งตัวได้ในทางคุณธรรมทุกคนจงประกอบกรณียาจิตของตนเพื่อส่งเสริมให้เจริญด้วยทรัพย์และเจริญด้วยคุณธรรมเทิดอีกประการหนึ่งขออยุธยามหานครของเราจงเป็นตัวอย่างในการที่ประชาชนเป็นอิสระอย่าตกเป็นทาสของสุราและการพานัน อันเป็นเครื่องยั่วให้สนุกเพียงครู่ยามแต่ทำความเดือดร้อนหรือความพินาศล่มจมให้เกิดขึ้นได้กว้างขวางกว่าผลได้เพียงแค่ความสนุกนั้นขอท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่าผู้เป็นนักเลงสุราและการพนันหาใช่ผู้ที่พระราชาของท่านพอใจให้เป็นเช่นนั้นไม่ถ้าปรากฏว่าใครเลิกละได้ข้าพเจ้าถือว่าผู้นั้นมีความรักในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอแสดงความนับถือในน้ำใจอันประเสริฐที่ช่วยกันทำให้อยธยาของเราเป็นเมืองเจริญด้วยคุณธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเห็นอยธยามหานครแห่งเรารุ่งเรืองด้วยศีลธรรมโบกสะบัดไปด้วยธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาจึงขอชักชวนให้ท่านทั้งหลายจงช่วยข้าพเจ้าส่งเสริม สิ่งที่ข้าพระเจ้าปรารชนานี้อย่างน้อยด้วยการทำตัวของท่านเองเพียงคนเดียวให้อยู่ในศีลธรรมก่อนเมื่อทุกคนสำเนึกในหน้าที่เช่นนี้ของตอนแล้วก็จะอบรมผู้เป็นบุตรธิดาให้เจริญรอยตามในภายนอกนั้นศีลธรรมย่อมสำแดงตัวหรือปรากฏทางกายกับบาจาแต่ก็ชี้เห็นจิตใจว่าย่อมมีความดีงามเป็นพื้นอยู่จึงแสดงลักษณะเช่นนั้นออกมาทางกายกับบาจาได้ ขอท่านทั้งหลายจงอยู่อย่างผาสุกรักษาความสะอาดทั้งภายนอกภายในเถิดอโยธยามหานครแห่งเราจะได้เป็นนครสำคัญขึ้นมาอีกวาระหนึ่งเสียงโห่ร้องดังขึ้นแสดงความพอใจในพระบรมราชวาตอันประกอบด้วยธรรมนั้นอยากเอกรเระ นับเป็นมงคลนิมิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอโยธยาภายใต้พระเจ้าสุรสกณักระสัหนมผู้งามทั้งพระวรากายและพระมนัรอีกห้าวันต่อมาคณะมหาอมาตย์ก็ได้รับคำสั่งให้สำรวจและปรับปรุงพระนครเป็นการใหญ่ให้มีถนนหนทางและบ่อน้ำมากขึ้นบ้านที่ผูพังและปลูกไว้ไม่เป็นระเบียบก็พระราชทานทุนผสมให้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นแถวเป็นแนวหน้าทศนาได้มีการกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านเมืองโดยการแนะนำชี้แจงอ้างพระราชประสงค์มิให้ใครเททิ้งเศษของหรืออยากเยื่อตามชอบใจอีกต่อไปจะต้องมีที่หรือลุมอันจัดไว้พิเศษเพื่อการนั้นการช่วยเหลือพ่อค้าให้มีทุนทาการค้าการช่วยเหลือชาวนาให้สะดวกด้วยพืชและเครื่องทานา การช่วยเหลือมหาอัมมาต ร, ราชบริพานผู้ปฏิบัตรริราชจิตได้ความสามารถและซื่อสัตย์ให้เจริญด้วยยศและด้วยทรัพย์ตามนัยยะแห่งพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาทรงแสดงแก่กูตะทันตพรามก็ได้นำมาใช้ในอโยธยามหานครบุตรธิดารู้จักเขารพในมารดาบิดาของตนมารดาบิดา สำนึกในหน้าที่ของตนที่จะสงเคราะห์บุต ธ, ธิดาให้ดียิ่งขึ้นการดื่มสุราและการพานันค่อยลดน้อยลงความขยันขันแข็งในสัมมาอาชีพอย่างรู้สึกสดชื่นมีหวังในชีวิตได้เพิ่มขึ้นตามพระราชปรารถนาความสะอาดกายสะอาดใจตลอดจนความเป็นระเบียบแห่งถนนหนทางบ้านเมืองและการรักษาความสะอาดบ้านเรือนคือชีวิตใหม่ของอยุยา เมื่อพระเจ้าสุรเสนะทรงเอาพระราชรัฐยสอดส่องดูแลส่งเสริมให้ประชาราชจเจริญด้วยอาชีพและการงานเช่นนี้จนผู้ร้ายก็ล ด, ดลงเพราะทุกคนได้รับการสั่งสอนให้รู้จักพึ่งตนช่วยตนไม่เกียดคร้านพระราชาก็เสด็จตรวจตรายยเยี่ยมเยียนชนทั้งหลายอยู่เสมอความคารรา ก, ก็เพิ่มขึ้นความปรารถนาที่จะสนองพระราชะประสงค์ก็กลายเป็นการนัดแน่กัน ปฏิบัติตามพระบรมราชานุศาส์ด้วยความจงรักอารามใหญ่น้อยรอบพระนครซึ่งมีอยู่แล้วก็เจริญเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อพระราชาตั้งอยู่ในธรรมส่งเสริมพระศาสนากุลบุตรผู้มีศรัทธาออกประพฤติพรหมจรรย์ก็เพิ่มขึ้นตามระยะยุคแห่งเหตุการณ์บ้านเมืองที่มีความสงบเทนิยสแสดงความประสงค์จะคุมเกวยนกลับไปพระนศีก่อน แล้วจึงจะกลับมาพำนักใกล้ๆโอรสณริมฝั่งน้ำสระยูอันสงบเงียบแห่งหนึ่งนอกพระนครอโยธยาแต่พระเจ้าสุรสณนทรงขอร้องให้อยู่ช่วยแนะนำราชจิตจึงต้องมอบหมายให้ติมพลุเป็นผู้รับผิดชอบคุมขบวนเกวียนต่อไปจนถึงพรรณสีเมื่อถึงแล้วใครพอใจจะประกอบการค้าทางเกวียนสืไปก็ตามประสงค์แต่ถ้าใครใคร จะย้ายครอบครัวมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ณอโยธยามหานครพระเจ้าสุรเสนก็ได้เตรียมพระาชทานพระบรมราชูปถัมภ์ทั่วหน้ากันชาวขับเกวียนทั้งปวงได้รับบำเน็ตรางวันโดยควรเจตภาพแล้วก็กำหนดเดินทางกลับพระนศีแต่ส่วนใหญ่บุคคลเหล่านั้นประสงค์จะย้ายครอบครัวมาประกอบอาชีพอยู่ในอโธยาเกือบทั้งสิ้นเพราะได้รู้ทั้งในจริยานดีงาม ทั้งของพระเจ้าสุรเสนและธนิยะตลอดมาเช้ามืดแห่งวันอาสารหะบุรณมีพระราชาและธนิยะได้เสด็จมาที่ประตูเมืองเป็นการสำแดงพระมหากรุณาเป็นพิเศษเจ้าชาวขับเกวียนจำนวนร้อยๆ อ, อันจะจากไป เมื่อทุกผู้กราบถาวายบังคมลาขึ้นสู่เกวียนแห่งตนแล้วเสียงเป่าเขาสัญญาณก็ดังขึ้นขบวนเกวียนทั้งนั้นก็ค่อยเคลื่อนออกไปทางประตูด้านทักษิณแห่งพระมหาคอนครอโยธยาเสียงม้าขบวนคุมร้องลําพองใจเสียงล้อเกวียนอันหมุนไปตามักคาเลียบลําน้ำสระยูเตือนใจชาวขับเกวียนว่าบัดนี้ตนกาลังใกล้ พระนศีเข้าไปทุกขณะแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นหน้าขอบฟ้าแล้วชาวขับเกวียนชั้งหลายอดใจไว้มิได้ที่จะเลี้ยวมาดูกษัตริย์หนุ่มผู้เป็นที่รักแห่งตนขบวนเกวียนอันยาเวเหยียดค่อยเคลื่อนไปออกไปเสียงล้อเกวียนก็แผ่วเบาลงไปแต่กษัตริย์หนุ่มพร้อมด้วยทนิยะพระราชบิดาวาดล้อมด้วยอมามัราชบริพานยังคงประทับ ย, ยืนจ้องดูขบวนเกวียนนั้น ด้วยความอาลัยและเป็นเสียไม่ได้ที่จะย้อนไปรึกถึงความหลังอันเคยได้ร่วมทางด้วยกันมา